ดีค่ะท่านผู้ฟังดิฉันชื่อพรจิตพงวลาภาหนังสือที่ดิฉันจะนำมาอ่านในวันนี้ชื่อว่าธรรมะรอบกองไฟเป็นหนังสือที่ดิฉันเขียนขึ้นเองนะคะโดยใช้นาปากกา ว, ว่าขวัญเพียงหัไทยเป็นหนังสือสำหรับผู้เริ่มสแสวงหาพุทธธรรมค่ะโดยมีคุณอนุรักษ์จันโผล่ศรีมาช่วยวาดรูปการ์ตูนประกอบให้นะคะหนังสือเล่มนี้ หน้าปกเนี่ยจะเป็นรูปเด็กผู้หญิงคนนึงกําลังยืนเล่าอะไรอไรให้เพื่อนฟังรอบกองไฟนะคะมีเด็กๆมาฟังรอบกลองไฟเยอะๆแล้วก็มีต้นสนอยู่ต้นหนึ่งนะคะมีเด็กคนนึงก็นอนอยู่ใต้ต้นสนมีพระจันทร์สีเหลืองหลับตาพริมพระจันทร์มีหน้ามีตานะคะหลับตาพริม้มแล้วก็มีรอยยิ้มด้วยแล้วก็มีดาวดาวนี่ก็หลับตาพริม้มมีรอยยิ้มเหมือนกัน รูปนี้ก็จะต่อไปถึงปกหลังเลยนะคะต่อเนื้อเป็นรูปเดียวกันที่ปกหลังแล้วก็จะเห็นท้องฟ้ามีดาวแล้วก็มีเต็นท์อยู่เต็นท์หนึ่งแล้วก็มีเด็กคนนึงนอนหลับอยู่หน้าเต็นท์ก็หมายความว่าไม่ได้มาร่วมฟังที่กองไฟด้วยกัน น, นะคะหนังสือเล่มนี้จัดทาโดยสํานักพิมพ์เรือนธรรมนะคะอยู่ที่สองเถนนพิชัยเขตดุสิตรกรุงเทพหน0่งศนะคะ เป็นหนังสือที่หน้าปกจะมีปีกเล็กๆพับเข้ามาด้านในด้วยนะคะบนปีกปกนี้ก็จะมีเขียนเอาไว้ดังนี้นะคะคำพีอยู่ในตู้คนไม่รู้เดินผ่านไปแต่คนรู้บางทีก็เดินผ่านไปความทุกข์อยู่ในใจ คนไม่รู้เก็บเอาไว้แต่คนรู้บางทีก็เก็บเอาไว้ธรรมะสงบใจคนไม่รู้สงบได้แต่คนรู้สงบได้มากกว่าสุขตื่นได้ยิ่งกว่าความสงบไม่มีคนไม่รู้สุขได้แต่คนรู้สุขได้มากกว่ารู้ทุกรู้ธรรม ใช้ธรรมพ้นทุกมีธรรมสงบสุขมีสุขเพราะมีธรรมหน้าแรกก็จะมีรูปดาวกับพระจันร์คือจะอธิบายให้ท่านผู้ฟังฟังนะคะว่าปกหนังสือเล่มนี้เนี่ย เป็นรูปรอบกองไฟอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วนะคะรูปการ์ตูนก็คือเด็กคนนี้พระจันทร์ดาวแล้วก็ต้นสนเนี่ยก็จะาตามก็ไปมีบทบาทเป็นการ์ตูนแทรกอยู่ในเล่มด้วยนะคะต่อไปดิฉันก็จะเล่าให้ฟังว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เขาทําอะไรบ้างตามที่คุณอนรักษวาดแทรกๆไว้นะคะเวลาจะเรียกเด็กคนนี้สงสัยจะเรียกว่าเด็กยิงควันมั้งคะ หนังสือเล่มนี้หน้าแรกได้เขียนแนะนำกับท่านผู้อ่านนะคะว่าล้อมวงคุยกันรอบกองไฟเล่าเรื่องธรรมะแทนนิทานข้ามคืนฤดูหนาวมีดาวสวยนะคะบทสารบัญเราก็จะใช้คำว่าเส้นทางธรรมนะคะก็สารบัญก็จะมีดังนี้ก็คือสแสวงหาธรรม รอบรัว้วธรรมในสวนธรรมละความโกรธกรรมการทำบุญให้ทานเรื่องสั้นภารกิจของหิ่งห้อยแล้วก็บันทึกไทยเล่มนะคะหนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์ครั้งแรกเดือนธันวาคมพศส5 4 4นะคะ บทคำนำก็ไม่ได้ใช้คำว่าคำนำนะคะใช้ชื่อว่าก่อกองไฟดังนี้นะคะตำนานพื้นบ้านโบราณถูกถ่ายทอดมาถึงลูกหลานด้วยการเล่าขานรอบกองไฟในายามค่ำคืนอันเหน็บหนาวคนหนุ่มสาวสนุกสนานกับสันทนาการรอบกองไฟ วันนี้ฉันขอชวนท่านผู้อ่านมานั่งล้อมรอบกองไฟคุยกันอย่างสนุกเล่าให้กันฟังอย่างเพื่อนที่เข้าใจกันแต่เป็นเรื่องธรรมะธรรมะไม่ใช่เรื่องน่าเบื่ออย่างที่ใครๆพูดแต่เป็นสิ่งดีๆที่เรายังไม่ได้หยิบยกเข้ามาไว้ในชีวิตฉันได้พบมาด้วยตัวเองจึงอยากนามาเล่าให้เพื่อนๆฟังแบบบันเทิงธรรม ธรรมะก็เหมือนกับกองไฟที่เมื่อเรานั่งใกล้พอและเติมฟืนให้สม่ำเสมอมันก็จะให้ความสว่างและอบอุ่นแก่ชีวิตแต่ถ้าเราไม่รู้จักกองไฟเราก็จะอยู่ในความมืดและหนาวเหน็บแต่ถ้าเรารู้จักกองไฟแบบผิดผิดเราก็อาจจะเอามือไปจับก้อนฟืนนั้นมากอดไว้ให้โทษแก่ตัวเอง การเขียนหนังสือเล่มนี้ฉันได้ใช้ความรู้จากเทปละหนังสือของท่านหลวงพ่อพุทธทาสหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุหลวงพ่อชาสุพัโทโตหลวงปู่ม่านภูริทัตโตหลวงปู่ดูลัตุโลและอาจารย์วสินอินทสระผู้ได้กรุณาตรวจต้มฉบับให้ด้วยจึงขอกราบขอบพระคุณทุกท่านด้วยความเคารพมาในโอกาสนี้ ฉันหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆจุดหนึ่งและอยากหวังให้เพื่อนๆเริ่มศึกษาธรรมะต่อไปเพื่อประโยชน์สุขในชีวิตประจำวันสมกับคำที่ท่านสอนว่าทำย่อมรักษาผู้ประพฤติ ธ, ธรรมเหมือนมีร่มคันใหญ่ในฤดูฝนขอทำรักษานะคะฝวันเพียงหะไทย มีคำอุทิศดังนี้นะคะหนังสือธรรมะรอบกองไฟนี้จัดทำขึ้นเพื่อน้อมบูชาพระคุณพระผู้มีพระภาคเจ้าพอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพอันสูงยิ่งขวัญเพียงหนไทยจิต ด, ดิ้นรนกลับกรอก ป้องกันยากห้ามยากคนมีปัญญาสามารถทำให้ตรงได้เหมือนช่างสอนดัดลูกสอนพุทธว จ, จะนะ แหว่งหาธรรมแสงแดดทอดตัวบนพื้นหญ้าดูเจิดจ้าทว่าสงบหญ้าเปลี่ยนสีที่ใต้เงาต้นมะม่วงใบมะม่วงพลิพ้วเบาๆคุยกับสายลมลูกของมันระย้าย้อยเต็มต้นบ้านเงียบสงบไม่มีเสียงรถรารบกวน ฟังเพลงเก่าๆที่เคยชอบแล้วก็นอนพักดอกผักบุ้งริมรั้วกำลังบานกลอนฝ่าบทนี้ชื่อวันอาทิตย์ฉันเขียนขึ้นในสมัยที่วันอาทิตย์เป็นวันนอนอย่างขี้เกียจต่อมาเมื่อศึกษาธรรมะก็เลยเลิกกิจการกันนอน เช้า ว, วันอาทิตย์อากาศดีถนนเงียบเพราะผู้คนยังไม่ตื่นพี่อุตกราไปซื้อกับข้าวถุงๆแล้วก็ไปวัดชนะระทานที่วัดนี้มีสวนร่มรื่นเป็นต้นไม้ใหญ่มากเหมือนป่าทำให้มีความสุขมากพอ9ก้าโมงเช้าก็มีการสวดมนต์เขาจะติดลำโพงจากห้องประชุมมาไว้ตามสวนด้วยปัจจุบันพื้นสวนได้รับการปรับใหม่ จากลานดินที่เหมือนอยู่สวนป่าจริงๆก็มาเป็นลานอิฐมีการจัดสวนตามสมัยก็ดีไปอีกรูปแบบหนึง่งแต่บรรยากาศมันก็เปลี่ยนไปบ้างสมัยก่อนหลวงพ่อปัญญานันท h a ท่านเทศทุกวันอาทิตย์ก็นั่งฟังอยู่ใต้ต้นไม้บ้างในศ า, าลาริมสระบ้างสุดแสนจะสบายใจดีกว่านอนเงาอยู่บ้านเยอะเลย พอท่านเทศเสร็จก็จะมีการตักบาตรพระนั่งล้อมเป็นวงที่ลานหินโค้งดูแล้วประทับใจนักก่อนกลับบ้านก็แวะไปยืมเทปจากห้องสมุดรศาลาจำปีรัตที่มีหลายตู้เอากลับไปฟังที่บ้านที่ยืมมาประจำก็คือเทปของหลวงพอ่อปัญญาและหลวงพ่อพุทธานานปีก็จับได้ว่าตัวเองฟังเทปได้มากกว่าอ่านหนังสือแต่จริงๆแล้ว หนังสือก็ถอดมาจากเทปบรรยายธรรมะของหลวงพอ่อนั่นเองฟังมาก็พอสมควรมองเห็นฝังพูมิของพุทธศาสนาว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องอะไรผังพมิเนี้ก็เหมือนกับตัวบ้านเรายืนดูก็รู้ได้ว่าประตูบ้านอยู่ไหนตัวบ้านประตูหน้าต่างหลังคาแค่มีบ้านก็เดินเข้าไปหลบฝนหลบแดดได้ ส่วนเฟอร์นิเจอร์อื่นๆนั้นน่ะเป็นลายละเอียดใครชอบก็ค่อยๆตามไปเก็บเอาแค่เอาวันหนึ่งน้องคนหนึ่งก็มาคุยเรื่องจะเข้าบ้านศาสนายังไงดีให้ช่วยแนะนำด้วย ทำให้คิดย้อนกลับไปถึงตัวเองเมื่อแรกเริ่มก็เจอปัญหานี้เหมือนกันเลยชวนมาเล่าให้ฟังน้องอีกคนนึงก็มาสมทบด้วยรวมสามคนเป็นธรร ม, มาสันจรไปคุยกันที่สวนรถไฟบ้างเขาดินบ้างเพลิดเพลินดีก่อนจะไปก็ต้องทำโน้ตสั้นๆว่าจะคุยเรื่องอะไรกลับมาก็เก็บไว้ตั้งใจว่าจะเอามาเล่าให้ลูกชายฟัง เท่าที่เคยถามถามมาก็พอจะอนุมานได้ว่าคนที่ไม่รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรมีเยอะและนึกจะเข้าหาศาสนาพุทธก็หาประตูไม่เจอก็มีเยอะพอเห็นใครอยากรู้ก็จะเล่าให้เขาฟังและคิดว่าเขียนเป็นหนังสือเลยถ้าจะดีกว่าจะได้เผื่อไปถึงคนอื่ น, นที่อาจจะสนใจด้วยแต่ใครจะคิดว่าฉันจะตั้งตนเป็นอาจารย์นั้นก็ไม่ใช่ฉันเป็นเพียงคนรวบรวมเอาคาเทศ ที่ได้ฟังมาเล่าให้ฟังกันสั้นๆแล้วก็รวมมาไว้ในที่เดียวกันท่านนั้นเองและอยากจะเล่าให้ฟังอย่างเพลินๆภาษาเพื่อ น, นคุยกันพอเป็นพื้นฐานแบบเตรียมอนุบาลเพื่อว่าท่านจะได้ใช้เป็นทางลัดให้เข้าไปศึกษาธรรมะด้วยตัวเองต่อไปได้เลยไม่ต้องแวะเวียนค้นหาไปตามจุดต่างๆให้เสียเวลาเหมือนกันที่ชั้นเคยเป็นมา แต่ในชั้นแรกนี้ก็จะเล่าถึงช่วงที่ยังหาธรรมะไม่พบด้วยเพื่อท่านจะได้ทราบว่าความรู้สึกบางอย่างที่เคยเกิดขึ้นนั้นมันก็เกิดกับคนอื่นด้วยอาจจะทำให้รู้สึกสบายใจขึ้นตรงนี้จะมีภาพของเด็กหญิงขวัญกำลังยืนงงนะคะมีเครื่องหมายคำถามอยู่บนหัวตัวเบลเลอร์อะไรค่ะ แรกเริ่มเมื่อมีความทุกข์ใจหนักแต่ละวันผ่านไปเหมือนเรือลำเล็กฝ่าอยู่กลางคลื่นยักษ์ในมหาสมุทรอย่างกำเนินหนังฝรั่งก็ได้ไปหาน้องคนหนึ่งซึ่งมีท่าทางเป็นนักวิชาการดีและก็ถามเขาว่าพุทธศาสนาสอนว่าอะไรอะเขามองหน้าเหมือนกับว่าเรายวนแต่พอเห็นความโง่ในดวงตาของฉันก็กลับเปลี่ยนใจ มันรุ่งขึ้นก็หอบหนังสือมาให้กับสิบเล่มเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเส้นทางศาสนาปัจชญาลทัทธิต่างๆในหนังสือธรรมะาน า, นาพอเห็นตั้งหนังสือฉันก็เริ่มหาแล้วก็อุ้ม ก, กลับไปหนุนหัวนอนตรงนี้ก็เป็นภาพหนังสือเล่มตโตๆตั้งสามสี่เล่มซ้อนๆกันนะคะเด็กหญิงขวัญก็กำลังหลับอยู่ วันหนึ่งจึงออกกำลังกายเดินไปวัดเป็นจมะบ่อพิษเพราะอยู่ไม่ไกลจากบ้านนักไปถึงก็ไปนั่งกราบพระพุทธชินราชที่แสนจะ ง, งดงามประทับใจนั่งรำพึงรำพันฟ้องเรื่องราวต่างๆกับท่านอยู่ในใจไกดตัวท้วมผ่าฝรั่งเที่ยวก็เดินเก็บจะสะดุดเท้าของฉันที่พับเพียบแนบอยู่กับตัวว่าเข่าเชียวไหลไปเส้นยาแดงผ่า28อะไรวะ ยังไม่บรรุเลยตัวฉันใสจนมองไม่เห็นเลยไนงะนึกแล้วก็หันไปกราบพระท่านก็ยังยิ้มให้อยู่เหมือนเดิมอยากให้พระพูดได้จังพระบ่นแล้วก็ยังไม่หายกุ้มใจเป็นเครียดอยู่นานมีคนชวนไปถวายสังฆทานให้สบายใจก็ไปซื้อข้าวของเตรียมสังฆทานแล้วก็ไปวัดด้วยความยินดีไปถึงกุฏิเจ้ า, เาว่าท่านก็ใจดี สวดมนต์ให้ยาวหลายบทและยังแถมบทสวดพรประจำวันเกิดให้ด้วยฟังจนขาเป็นเน็บย้ายพับเพียบซ้ายไปขวาขวาไปซ้ายระหว่างนั้นท่านก็ซัดน้ำมนต์ให้เพื่อเป็นสิริมงคลกว่าจะสวดเสร็จก็เปียกไปทั้งตัวยังกระฝาฝนตกหนักมากก็ชุ่มฉ่ำหัวใจดีแจกทิชชู่มาเช็ดหัวหูกันเพลินแต่พอกลับมาถึงโต๊ะทางาน ก็หน้าหงิกกันต่อไปเหมือนไม่ได้ไปไหนมาตรงนี้ก็เป็นรูปเด็กหญิงขวัญกำลังนั่งพนมมือนะคะหัวหูเปียกน้ำมนต์นองพื้นเลยะคะ่ะอย่าการ น, นั้นเลยจึงวันหนึ่งก็หอบมาไราร้อยปณนีดอย่างสวยซื้อที่ท่าช้าง ไปไหว้พระนอนวัดโพพระองค์นี้ฉันรักนักรักหนาด้วยงามประทับใจไปถึงก็วางดอกไม้ลงในผ่านทองที่เขาเตรียมไว้ให้ไปถวายท่านแล้วก็จุดถูปเทียนสวดมนต์ขอพอรท่านตามระเบียบแล้วก็เสียงเซมซีมาใบาหนึ่งด้วยตั้งจิตอธิษฐานถามท่านว่าชีวิตจะเป็นยังไงจะไปรอดไหมเนี่ย ในเชมซีบอกว่าสาหัสนักลูกเอ้ยลำบากไปอีกนานนะเจ้าให้ทิ้งพระเสียเอออ่านแล้วก็งงเลยไปถามคนขายดอกไม้ว่าทิ้งพระนแปลว่าอะไรอ๋อก็ให้ซื้อพระองค์เล็กๆ เ, เนี่ยไปทิ้งไว้ใต้ต้นโพหลังโบสถ์เป็นการสะเดาะเคราะห์ก็เลยซื้อพระหน้าตู้นั่นเององค์ละยี่สิบบาท แล้วก็ออกไปเดินหาต้นโพโอ้โหใต้ต้นโพใหญ่พระถูกทิ้งอยู่เต็มเลยสงสารท่านนะเรื่องเสียงเสียมซีเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เสี่ยงบ่อยเพราะว่ามันเสี่ยงปกติไปไหนจะไม่เสี่ยงที่จะเสี่ยงเสียมซีเพราะถ้าเสียงบ่อยๆนอกจากจะเสี่ยงกับใจความที่ค้านกันเองจนงงแล้วความน่าเชื่อถือก็ไม่มี จริงๆทงางศาสนาพูดบอกว่าไม่มีเลยอยู่แล้วและบางคนที่คิดว่าเสียงใบแรกแล้วไม่ชอบลงไปนั่งเสียงใหม่อันนี้เลิกเลยเดินไปนเลือกที่ตู้เองเลยก็แล้วกันตรงนี้ก็เป็นภาพเด็กหญิงขวันนะคะกำลังนั่งอ่านใบซิมซีอยู่ใต้ต้นโพใหญ่นะคะ ท, ทำอยู่ก็คือเสียงเซีมซีที่พระนอนเนี่ยองค์เดียวปีละครั้งเดียวคือวันเกิดที่เสียงก็เพราะว่ารักท่านอยากคุยกับท่านนั่นแหละใบเซียมซีเป็นทางเดียวที่ท่านจะคุยกับเราได้อันนี้ดูจะเป็นความสัมพันธ์ทางใจของลูกเกเลยอย่างฉันที่มีกับพระนอนองค์นี้มากกว่าก็รวมสมาธิอย่างดีอธิษฐานขอให้ท่านแนะนําว่าปีหน้าเป็นอย่างไร พอแอบเป็นกำลังใจเล็กๆเพราะตอนนั้นไม่รู้จะหันหน้าไปหาใครมันเศร้าในระหว่างปีเหล่านั้นก็ได้หนังสือธรรมะมาจากงานศพ บ, บ้างจากร้านหนังสือบ้างยอมรับว่าอ่านแล้วง่วงมากไม่ค่อยรู้เรื่องเลยว่ากล่าวถึงอะไรทําให้เบื่อการอ่านลองไปเปิดเปิดดูหนังสือพระศักดิ์สิทธิ์นิยมที่คนชอบอ่านเขาซื้อมาวางไว้ แล้วถ้ามีแต่เรื่องอิทธิปฏิหารอ่านสองสาเรื่องแรกก็แปลกหูแปลกตาดีหรออ่านอันไปก็รู้สึกว่าสมองมันมืดลงมืดลงมันซึมเศร้าคล้ายกับว่าเป็นเรื่องที่เราจะไปจับต้องหรือจะเอามาทำอะไรก็ไม่ได้สมมุติว่าปฏิหารนั้นมันมีนมจริงมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราและจะให้เกิดก็ไม่ได้อ่านแล้วก็ฟุ้งซ่าน ทำให้เกิดคำถามทาให้เกิดความสงสัยลังเลมากมายอ่านแล้วก็เบื่อเบื่อก็เลยเลิกไปครั้งหนึ่งไปช่วยงานศพญาติที่วัดลาดพร้าวอยู่เจ็ดวันได้เห็นว่าเมนเผาศพทำงานไม่ทันตอนนั้นปลงไปได้เยอะเลยนึกสังเวชขึ้นมาว่าคนเราก็ตายกันเป็นใบไม้ร่วงงานศพก็ชุลมุนมากทําก็ต้มเลี้ยงทุกคืนมีชามให้ล้างเป็นร้อย กิจกรรมของคนที่ยังไม่ตายก็ทำกันไปวนเวียนกันไปอย่างนี้ทุกษาลาหรือนี่จะเป็นกลอุบายให้เจ้าภาพงานยุ่งจะได้ไม่มีเวลาโศกเศร้าจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ญาติคนนี้ก็โศกเศร้าจนกินไม่ได้ได้รับแขกตามหน้าที่ไปด้วยจนหมดแรงเป็นลมไปก็หลายครั้งวันสุดท้ายพอเก็บของหมดแล้วก็ได้นั่งพักพระที่คุ้นเคยก็มานั่งคุยกับเจ้าภาพ ซึ่งก็ถามว่าที่ทำไปนั้นถึงคนตายไหมพระก็พยักหน้าถึงนะโยมไม่ต้องห่วงหรอกนะทำใจให้สบายฉันซึ่งนั่งฟังอยู่ข้างๆแล้วก็ไม่รู้จะคุยอะไรกับพระตรงนี้ก็เป็นรูปดาวนะคะกำลังงงตาก็งงปากก็งงเหมือนเลยนะคะ เมื่อไปที่ร้านหนังสือเราจะพบหนังสือธรรมะเยอะมากโดยเฉพาะในปีสองปีมานี้มีเพิ่มขึ้นเป็นกิจลักษณะแต่กะ น, นั้นก็ตามคนที่ไม่รู้มาก่อนและอยากจะเริ่มต้นรู้ก็จะเลือกไม่ถูกว่าในบรรดาหนังสือเต็มตู้ยาวๆนั้นควรจะอ่านเล่มใดก่อนหลังจะบอกว่าจะอ่านเล่มไหนก่อนก็ได้ก็ไม่เชิงนะักบางเล่มมันก็สําหรับผู้ที่เริ่มต้นแต่บางเล่มก็สําหรับคนที่รู้มาพอสมควรแล้วเหมือนกัน แต่เมื่อไปยืนอยู่ลำพังใครเล่าจะบอกว่าเราควรจะเริ่มที่เล่มใดแต่ละเล่มก็หนานๆทั้งนั้นเลยอีกประเภทหนึ่งก็เป็นเล่มบางๆมีแจกที่วัดก็คือถอดเทพมาจากที่หลวงพ่อเทศหนึ่งชั่วโมงอันนี้อ่านง่ายได้ใจความดีแต่มีปัญหาสำหรับคนทุกร้อนๆคือไม่ค่อยตรงกับปัญหาคาใจกันตอนนั้น ท่านจะเข้าไปหาหลวงพ่อสักองก็คงประสบผลคล้ายๆกันเพราะคนทุกแบบร้อนๆจะเหมือนมีปัญหาเยอะจนไม่รู้จะเล่ายังไงนี่อยู่ๆหลวงพ่อจะมาแจกธรรมะทั้งาศาสนาใน5นาทีก็คงไม่ได้เพราะฉะนั้นทั้งโยมทั้งพระต่างก็มีข้อมูลฝ่ายตัวเองอยู่คนละหนึ่งกระบุงที่ไม่อาจจะเทให้ ก, กันได้สรุปก็คือลดน้ำมนต์ดีกว่า วันหนึ่งเพื่อนสาวจอมซีก็โทรมาหามันเล่าให้ฟังว่าไปทําบุญที่วัดแห่งหนึ่งไกลกันดานพอจอดรถขนของลงมาพระเนเนเคลื่อนไหวกันพึทธภาพแล้วไม่ค่อยมีคนมาถวายของเล่นเราตก อ, อกตกใจแล้วก็สอนชั้นว่าวันหลังจะไปทําบุญวัดไหนดูให้ดีนะเพราที่ทางในวัดเราก็ไม่รู้จกักไม่รู้ทางไหนเลี้ยวเป็นไหนมั่งใครอยู่ที่ไหนมั่ง ฉันก็เลยปาลบเรื่องหาศาสนาไม่เจอให้เจ้าหล่อนฟังพางก็ถามว่ารู้จักวัดชนรระทานไหมได้ยินว่าเป็นแนวเดียวกับสวนโมกน่าจะมีอะไรดีนะเจ้าหล่อนก็เลยนัดพาไปทัวร์ไปถึงก็ชอบบรรยากาศมากเลยมีต้นไม้สูงสวยอิสาราลิมสระตรงสเปะเปียกแค่นั่งดูงเงาไม้ในน้ำก็สุดคุ้ม แล้วก็มาเจอศาสนาพุทธที่นี่เองห้องสมุดสาราจำปีรัตเทธรรมะของท่านพุทธทาสกว่า400อยม้วนหลงพ่อบรรยายกว่า400อยม้วนดังนั้นท่านผู้อ่านที่เริ่มต้นค้นหาหรือค้นหามานานแล้วยังไม่ถูกใจหรือไม่พบแก่นของศาสนาพุทธรัดมาตรงนี้เถอะเทฟังฟีด้วย ร่อนเร่มานานถึงบ้านเสียทีมีเทฟฟังฟรีอยู่ดีสบายใจเลิกเที่ยวค้นหาไขว่คว้าอยู่ได้ของอยู่ไม่ไกลชื่นใจพบทรรมก็จบบทนี้นะคะมีรูปเด็กหญิงขวัญกำลังนั่งอยู่ริมสระน้ำมีดอกบัวด้วยอยู่ใต้ต้นไม้นั่งยิ้มสบายใจนะคะ